อนาปฏิวานพิกุณีต่อไปนี้ไม่ต้องอาบัตคือ1066หิกนึ่งพิกุณีบอกสงหรือคณะแล้วจึงให้บง่งให้ผ่าให้ชะล้างให้ทาให้พันหรือให้แก่สองพิกุณีมีสตรีผู้รู้เดียงสาอยู่เป็นเพื่อนสามพิกุณีวิกลจริตสี่พิกุณีต้นมัญญะสิขาบทที่สิบจบอารมวักที่6จบ